ชาญสีเด็กแย่ภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสงัดจากกามและอคุโสณธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. ละถึงเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปแล้วบรรลทุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่สเพราะปิติจางคลายไปเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสเพราะสมณัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุเจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ มีสติบริสุทธิ์เพราะอเวคาอยู่ติ ก, กะมาติ ก, กาปุชฌาทุ ก, กะมาติ ก, กาปุชฌาบรรดาฌานสี่ฌานเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอภยัยกฤิเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้หนึ่งติะกะมาติ ก, กาวิสัชนาหนึ่งถึงยี่สิบสองปุชลติกาทิวิสัชนา ฌานสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มีเว้นสุขเวทนาที่เกิดในฌานน네ี้แล้วฌานสามสัมพยุดด้วยสุขเวทนาเว้นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดในฌานนี้แล้วจะตุทฌานสัมพยุดด้วยอทุกขมสุขเวทนาฌานสี่ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 เว้นวิตกและวิจารณ์ที่เก <aru> <th> ิดในฌานนี้แล้วปฐมฌานมีทั้งวิตกและวิจารณฌานสามไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เว้นปิติที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสองสหรคตด้วยปิติเว้นสุขที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสามสหรคตด้วยสุขเว้นอุเบกขาที่เกิดในฌานนี้แล้วจะตุทัชฌานสหอรคตด้วยอุเบกขา ฌานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามฌานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามฌานสี่ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ท, ออししที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีฌานสี่ที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มี ที่ไม่เป็นของเสข่บุคคลและเสข่บุคคลก็มีฌานสี่ที่เป็นมหคตตก็มีที่เป็นอัปปามะนาก็มีฌานสามกล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์หรือมีมหาตตเป็นอารมณ์ฌานสี่ที่มีอัปปามะน์เป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอัปปามะน์เป็นอารมณ์ก็มีจะตุทัชฌานที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหากตตเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอปปามะนาเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหกตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปามะนาเป็นอารมณ์ก็มีฌานสี่ที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นตราณีก็มีฌานสี่ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีฌานสามไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มีจะตุจชานที่มีมรรคเป็นอารม์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มีฉานเที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีฉานสีที่เป็นอดีตก็มี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 ฌานสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีฌานสามมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เจตุทัชฌานที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ หรือมีทำภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีฌานสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้สองทุกขมาติ ก, กาวิสัชนาหนึ่งเหตุขโคจกาวิสัชนาฌานสีไม่เป็นเหตุฌานสี่มีเหตุฌานสี่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุฌานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุฌานสี่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุฌานสี่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุฌานสี่สัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุฌานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสองจุลันตระทุกะวิจัชนาฌานสี่มีปัจจัยปรุงแต่งฌานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งฌานสี่เห็นไม่ได้ฌานสี่กระทบไม่ได้ฌานสี่ไม่เป็นรูปฌานสี่ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี ฌานสี่จิตบังดวงรู้ได้ฌานสี่จิตบังดวงรู้ไม่ได้สอาสวะโคชกลวิสัชนาฌานสี่ไม่เป็นอาสวะฌานสี่ที э. ่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีฌานสี่วิปยุตจากอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะฌานสี่ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะก็มีฌานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสะวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะฌานสี่ที่วิปยุทธ์จากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสี่ถึงเกสัญญชนะโฆชกาธิวิสัชนา ชาญศรไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาตยสิบมหันตระทุกกะวิจัชนาชาญศรีรับรู้อารมณ์ได้ชาญศรีไม่เป็นจิตชาญศรีเป็นเจตสิกชาญศรีสัมยุญด้วยจิตชาญศรีรัคนกับจิตชาญศรีมีจิตเป็นสมุทฐานชาญศรีเกิดพร้อมกับจิต ฌานสี่เป็นไปตามจิตฌานสี่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานฌานสี่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตฌานสี่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตฌานสี่เป็นภายนอกฌานสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปฌานสี่ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี สิอถึงสิอุปาทานะพโชกาธิวิสัชนาชาลสีไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส13บสามปิติทุกกะวิสัชนาชาลสีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรและมักเบื้งบนสามชาลสีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรและมักเบื้องบนสามเว้นวิตกที่เกิดในชา น, นี้แล้วปฐมชาลมีวิตกชาลสามไม่มีวิตก เว้นวิจารที่เกิดในฌานนี้แล้วปฐมฌานไม่วิจารฌานสามไม่มีวิจารเว้นปีติที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสองมีปีติฌานสองไม่มีปีติเว้นปีติที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสองสหรตด้วยปีติฌานสองไม่สหรตด้วยปีติเว้นสุขที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสามสหรตด้วยสุขจะทุตฌานไม่สหรตด้วยสุข เว้นอุเบกขาที่เกิดในฌานนี้แล้วจะตุททฌานสหรคตด้วยอุเบกขาฌานสามไม่สหรคตด้วยอุเบกขาฌานสี่ไม่เป็นกามาวจรฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีฌานสามไม่เป็นอรูปาวจรจะตุททฌานที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีฌานสี่ที่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มี ที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีฌานสี่ที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีฌานสี่ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีฌานสี่ที่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีฌานสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุชกะจบชา น, ชานาวิพังจบบริบูรณ์ สิบสามอปมญญาวิพังหนึ่งสุตันตะภาชนีอปมญญาสีได้แก่พิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งมีจิตสหระโคด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สองก็เช่นนั้นทิศที่สามทิศที่สี่ก็เช่นนั้นทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตสหรตด้วยเมตตาอันไพยบูร์กว้างขวางหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่สองมีจิตสหรตด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่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 ภิกษุมีจิตสหรคด้วยเมตตาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนคนเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจแล้วพึงรักใคร่ฉนั้นบรรดาคำเหล่านั้นเมตตาเป็นไนความรักใคร่ริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาจิตเป็นไนจิตมโนโมานัตหาไทย ปันธร ะ, มะโมมนายะตนะมะนินสีวิญญาณวิญญาณขันและมะโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมระคนสัมปยุทธ์ ด, ด้วยเมตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยเมตตาคําว่าทิศหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศ ต, ต่างๆคำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดาเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่คำว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่า ทิศหนึ่งชั้นใดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําทิศเฉียงทิศ ต, ต่างๆก็เช่นนั้นคําว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอธิบายว่าคําว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงนี้เป็นคํากล่าวกําหนดเอาสัตว์ทั้งหมด โดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือหาส่วนเหลือไม่ได้ในคำว่ามีจิตสหรตด้วยเมตานั้นเมตตาเป็นไนะความรักใคร่กริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาจิตเป็นไนะจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิต จิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมรัคนสัมพยุทธ์ด้วยเมตตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยเมตตาคําว่าภัยบู์อธิบายว่าจิตใจภัยบู์จิตนั้นกว้างขวางจิตใจกว้างขวางจิตนั้นหาประมาณมิได้จิตใ้หาประมาณมิได้จิตนั้นไม่มีเวรจิตใจไม่มีเวรจิตนั้นไม่มีพยาบาท คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่สองกรุณาอปมัญญานิเทศมีจิตสหรฆดด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไนพิสุมีจิตสหรฆดเด้วยกรุณาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนบุคคลเห็นคนผู้หนึ่ง ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วพึงสงสารฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นกรุณาเป็นไนความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาจิตเป็นไนจิตมโนโมานัสมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเปิดพร้อมรคน สรมปรยุทธ์ด้วยกรุณานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตที่สหรคตรด้วยกรุณาคำว่าทิศหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศต่างๆคำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่ รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่คาว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่าทิศเฉียงทิศต่างๆก็ฉันนั้นคาว่าสัตว์โลกทั้งปวง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 ภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลายกรุนาเจโตวิมุตต์นี้เรียกว่ากรุนาจิตเป็นไนจิตมโนโมานัดมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมระคนสรรพยุทธ์ด้วยรุนานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยกรุณาคาว่าภัยบู์อธิบายว่า จิตใดภัยบูนจิตนั้นกว้างขวางจิตใดกว้างขวางจิตนั้นหาประมาณไม่ได้จิตใดหาประมาณไม่ได้จิตนั้นไม่มีเวรจิตใดไม่มีเวรจิตนั้นไม่มีพยาบาทคำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่สาม มุทิตาอปมัญญานิเทศมีจิตสหรคตด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไฉ น, นิพิสุมีจิตสหรตด้วยมุทิตาไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนบุคคลเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่รักชอบใจแล้วพลอยยินดีฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นมุทิตาเป็นไฉ น, นความพลอยยินดีคุริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีในสัตว์ทั้งหลาย นี้เรียกว่ามุติตาจิตเป็นไนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมรคนสำปยุทธ์ด้วยมุติตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตที่สหรคตด้วยมุติตาคำว่าทิศหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่าที่เฉียงหรือทิศต่างๆคําว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปคําว่าอยู่อธิบายว่าเสบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่คําว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่าทิศหนึ่งชันใดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่า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 มุทิตาเป็นไงความพลอยยินดีกริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีในสัตว์ทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมุตตินิชื่อว่ามุทิตาจิตเป็นไงจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมรัคนสัมปยุทธ์ด้วยมุทิตานี้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรฆด้วยมุทิตาคำว่าภัยบูนอธิบายว่าจิตใดภัยบูนจิตนั้นกว้างขวางจิตใจกว้างขวางจิตนั้นหาประมาณมิได้จิตใจหาประมาณมิได้จิตนั้นไม่มีเวนจิตใจไม่มีเวนจิตนั้นไม่มีพยาบาทคำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปคำว่าอยู่อธิบายว่า เสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่สอุเบกขาอปมัญญานิเทศมีจิตสหรโคตอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไนภิกษุมีจิตสหรโคตอุเบกขาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนบุคคลเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่ชอบใจก็ไม่ใช่ไม่เป็นที่ชอบใจก็ไม่ใช่แล้วเป็นผู้มีอุเบกขาฉะนั้น บรรดาคำเหล่านั้นอุเบกขาเป็นไนความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยในสัตว์ทั้งหลายอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าอุเบกขาจิตเป็นไนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมระคนสัมพยุทธิอุเบกขานี้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 นี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมรัคนสัมพยุทธ์ด้วยอุเบกขานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาคําว่าภัยบูนอธิบายว่าจิตได้ภัยบูนจิตนั้นกว้างขวางจิตได้กว้างขวางจิตนั้นหาประมาณไม่ได้จิตได้หาประมาณไม่ได้จิตนั้นไม่มีเวรจิตใดไม่มีเวรจิตนั้นไม่มีพยาบาท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 พิธรรมพาชณีอปมัญญาสี่คือหนึ่งเมตตาความรักใคร่สองกรุณาความสงสารสามมุทิตาความพรอยยินดีสี่อุเบคาความวางเฉยเมตตากุศลและชาณะจตุ ก, ก น, นัยบรรดาอปมัญญาสี่นั้นเมตตาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากความบรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่เมตตาเจโตวิมุตต์นี้เรียกว่าเมตตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเมตตาเมตตาเป็นไนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปแล้ว บรรลุทุทิยฌานที่สหรคตด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักไคร่เมตตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเมตตาเมตตาเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปิติจางคลายไป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 บรรลุปฐมฌานที่สารคตด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่เมตตาใจโต ว, วิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเมตตาภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงังจาจ ก, กามและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้ว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 บรรลุเจตุ t h a g a ที่สงรงกรด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่เมตตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตย์ด้วยเมตตากรุณากุศลฉานจตตกนัยกรุณาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรฆดเลือกกรุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัาปยุทธเลือกกรุณากรุณาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะวิตกวิจารสงบรั ง, งับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกรุณากรุณาเป็นฉไฉนที่สุในธรรมวิัยนี้เจริญมาเพื่อเข้าถึงรูปประพบ เพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่สหระโคเดอกรุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตตนี้เรียกว่ากรุณาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธเดยกรุณากรุณากุศลชานะปัญจกักรไนภิกษุในธรรมวินัยนี้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 สังอัจจากการมและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกกรุณาไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตเลือกรุณา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 ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกลามบรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยมุติตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพรอยยินดีกิริยาที่พรอยยินดีภาวะที่พรอยยินดีมุติตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ามุติตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุติตามุติตาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจาร์สงบรังงบไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่สหรคคด้วยมุทิตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตติน้เรกว่ามุทิตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัำประยุทธ์ด้วยมุทิตามุทิตาเป็นไน พิสุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปิติจางคลายไปบรรลุตัติยฌานที่สหระโคตยมุทิตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ามุทิตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทดธดมุทิตา มุทิตากุศลราชานะปัญจ ก, กันนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรคต ด, ด้วยมุทิตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ามุทิตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุทิตา พิสุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุทุติยฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ามุทิตา สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุทิตาพิษุในธรรมวิไนนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุตติยจารที่สหรตรด้วยมุทิตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ามุทิตา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 สัมปยุตเตวมุทิตาอุเบกขากูศลลชฌานอุเบกขาเป็นไนพิสุในธรรมวิันนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขและทุกข์ได้บรรลุเจตุจชานที่สหรคตรยอุเบกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความวางเฉยจิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าอุเบกขา สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตตอุเบกขาอัปมัญญาสี่คือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุทิตาสี่อุเบกขาเมตตาวิปากชาญบรรดาอปมัญญาสี่นั้นเมตตาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญมกเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุ ส, สงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรู ป, ปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ ภาวะที่รักใคร่เมตตาเจโตวิมุตตินี้ชื่อว่าเมตตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเมตตาเมตตาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจาร์สงบรังงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่สหอรคตด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัษะอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะวิตกวิจารณสงหปรงะงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุจจตุทะฌานที่สหรักด้วยเมตตาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปปาวจารกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใครุ่ริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่เมตตาเจโตวิมุต นี้เรียกว่าเมตตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเมตตากรุณาวิปากรฌานกรุณาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังนัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรต ด, ด้วยกรุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล พิสุสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่ซอรโคด้วยกรุณาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปราวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารยิรยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกรุณากรุณาเป็นไน พิสุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุปฐมฌาน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 มุทิตาเป็นไนพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สระโ้วย ม, มุทิตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะพวกเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพิสุสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สสระโคต ร, ร ม, มุทิตาซึ่งเป็นวิบาบ เพราะได้ทำได้สั่งสมรูปราวจรกุศ ล, ลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีคิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุติตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ามุติตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุติตามุติตาเป็นไนพิสูจในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะวิตกวิจารสงบรังงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่สหรตด้วยมุทิตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะวิตกวิจารสงบรังงับไปแล้วบรรลุทลตุติยฌาบนาบรร ล, ลุตติยฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌาน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 อุเบกขาเป็นไนพิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขและทุกได้บรรลุเจตุธฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะละสุกและทุก์ได้บรรลุเจตุธฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขา เพราะได้ทำได้สั่งสมรูปราวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าอุเบกขาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาอัปมัญญาสี่คือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุทิตาสีอ่ 4. อุเบกขา เมตตากิริยาฌานบรรดาอัปามัญญาสีนั้นเมตตาเป็นไนพิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญรูปราวจรฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมเป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันส ง, งัดจากกรรมบรรลุปฐมฌานที่สอรโค ด, ด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่คิริยาที่รักใคร่ ภาวะที่รักใคร่เมตตาเจโตวิมุตตนี้เรียกว่าเมตตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมยุ์ด้วยเมตตาเมตตาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญรูปราวจรฌานที่เป็นคิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมเป็นเพียงธทมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌาน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 และถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญรูปราวจรฌานที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมเป็นเพียงทงเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะละสุขและทุกข์ได้บรรลุจตุทัชฌานที่สหรฆ وذ ูอุเบขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความวางเฉยกริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยอุเบขาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่า